อาสั่งใจฟังต่อวันนี้ซึ่งสร้างโกฏอันนึงขึ้นมาเกี่ยวกับการสมทานศรรีลจะให้ญาติโยมทุกคนเข้าใจในการสมทานศีลนั้นเนื้อแท้ของการสมทานศีลนั้นคือการงดเว้นนั่นเองไม่ใช่อย่ายงอื่นไกลสมทานศีลคือเพื่ออยากจะหงดเว้นจากกงชั่วทั้งหลาย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 นะซึ่งเป็นเจ้าของภาศาสนาและเราก็กำหนดว่าเราจะสมทานสินงดเว้นจากข้อวัดอะไรเราก็งดเว้นโนยตนเองเอาตัวเองเป็นพยานอันนี้ยิ่งกว่าเก่าเป็นสิขีภูตัวเป็นสิขีภูโตเอาตอนเองเป็นพยานของตนที่เรียกว่าสมทานโดยตนเองเป็นอิสระ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 กำลังเรามันน้อยเราต้องเกาะคนอื่นเขากำลังไม่มากต้องอาศัยคนอื่นเขาไอ้ความเข้าใจไม่มากความรู้ไม่มากความฉลาดไม่มากเราต้องอาศัยคนอื่นเขาเป็นธรรมดาอันนี้ยังอยากไปหน่อยอาศัยตัวเองเป็นคนที่เชื่อตัวเองอืมเป็นคนที่เชื่อตัวเองเห็นตัวเอง Ừ, เห็นตัวเองชัด ừ, เรียกว่าสมาทานรวยตัวเองเป็นสัมปัจวิรัตน์งดเด็ดขาดรวยตัวเองเลยไอ้ที่มันสิ่งที่เรานึกเห็นว่ที่มันไม่ดีมันผิดจากศีลของเรานี่เราก็เลิกมันอันนี้ง่ายง่ายแต่ว่าทายใบจริงมันชอบโกหกเจ้าของนั้นี่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 ถ้าเราเดินไปทางตะบนอกมองไปมันก็ตรงไปทางทิศตะวันตกถ้าเราเดินไปทางตะบนตกเดินมองตรงไปมันก็ตรงไปทางตะบนอก <c oughs> มันเป็นซสยอย่างนี้เออเนี่ยมันเป็นซสยอย่างนี้อ่าทีนี้อ่เราต้องเชื่อตัวเราเองอย่างแน่นอนถ้าหักว่าเรามีพุทธทางธรรมังสังฆังมีหลักศักษามหมดเอาไปปากตรงหนึ่งหลักนะ <c oughs>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 อย่างเขาจะตัดถนนไปทางอไปถูกบ้านเราเนี่ยเราเนี่ยไม่ใช่มันตรงไปโน้นเราเดินหนึ่งเย่างมาเดินไปโน้นจะไปถูกบ้านโน้นเอาจะมาถูกบ้านเราแล้วมันตรงไปโน้นอย่างนี้เอมันก็ตรงไปเรื่อยๆไปยังไงอันนี้มันเป็นอิสระนี่จะต้องสราว่ามันดีมันก็ดีจริงอถ้าไอ้ตนที่จะต้องเป็นพยานนั้นเป็นผู้เข้าใจในธรรมะจริงๆแล้วมันก็ดีมากที่สุด นีพ่พระพุทธองค์ท่านสรรเสริญอย่างนั้นอันนั้นเป็นสัมปตวีรัตมดเบ้ยนด้วยตนเองสมุเฉศทวีรัตอันนี้เป็นต้นอเด็ดขาดเลยอืมไอ้ขึ้นชื่อว่าไอ้ที่มันไม่ถูกไม่ตรงต่อไอ้ความจริงแล้วเลิกมันจะตายมันจะเป็นก็ชั่งมันเถอะเลิกเลยบอกทีเดียวเท่านั้นเลิกเลยนี่เป็นสมุเฉศทวีรัต เป็นคำที่ในปฏิญญาณของพระอริยเจ้าเป็นศีลของพระอธิยบุคคลเป็นศีลของพระอธิยเจ้าชินมอมตัวนี้มันตายมาเนี่ยให้คุณฆ่าซะไม่ยอมฆ่าคุณไม่ฆ่าฉันจะฆ่าเธอนะแล้วแต่เธอนเนี่ยเด็ดขาดแล้วอย่างเนี้ตรงเลยนี่เรื่องของศีลพระอธิยบุคคลถึงประพุทธถึงประธรรมถึงประสงค์อย่างแน่นอน เป็นสินที่บริสุทธิ์ผุดพองอืมันเป็นวีมุตอันนั้นมันเป็นสินพระอาญะบุคคลสินพระดีเจ้าแนี่นอนเอาชีวิตเปลี่ยนเอาสินเลยแรกเอาสินไอ้พวกเราะสัมปัตติบีรัตสมัชารบิรัตนี่ก็เรียกว่าเลีเ้ยงออกไปได้สมมติฉเฉษฐบีรัตตัดตัดขาดเลยไม่ว่ามันจะตรงไปไหนตัดไปเลย อันนั้นเรียกว่าคําเดียวน่ะเป็นศิลอันเลือเป็นศิลอันประเสริฐทั้งสามประการนี้เราจะสมทานศิล น, นั้นเอาที่ไหนก็ได้คือศิล น, นั้นไม่มีที่อยู่ไม่อยู่ในกลางทุ่งไม่อยู่ในป่าไม่อยู่ติดถนนไม่อยู่ที่ไหนทั้งนั้นแหละอยู่ที่จิตใจของเราทั้งหลายนั่นนะเมื่อมีจิตงดเว้น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 บุตรเป็นผลเกิดมาจากเหตุคือพ่อแม่สินนี้คือเหตุเป็นแนลนเป็นแหลนเกิดของธรรมะทั้งหลายคือสินนี้ไม่ใช่ของเลนเดินสินแต่ว่าเป็นของมีคุณค่าราคามากเมื่อมีใครที่มายกขึ้นประพฤติปฏิบัติก็เหมือนทาดทองใบหนึ่ง มีราคามากอยู่ในบ้านเราในสมัยต่อมานี้เขาเลือกใช้กันแล้วถาด ท, ทองใบนั้นน่ะมันจะมีสีมีสุขขนาดไหนก็ช่างมันเถอะมันจะมีราคาขนาดไหนก็จ่มันก็ต้องลดราคาเมื่อคนเราไม่มีความสามารถไม่เสนอเสริญเยนยอถาดใบนั้นมันก็เป็นถาด ท, ที่เปล่าจากประโยชน์สีล่ะคือสีนี้ก็ดี เป็นของตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าคนไม่ประพฤติปฏิบัติไม่นับถือเป็นต้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับใครทางนั้นเนี่ยเพราะสิ่งทางหลายเรานี้มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการประพฤติทมปฏิบัติทมนี่จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นที่สุดที่เราจะต้องหาเหตุผลมันดังนั้นท่านจึงเรียกว่าสินนี่เป็นพ่อแม่ของธรรมะสินนี่ปราบกายปราบมาจา ธรรมะปราบใจโคดกันง่ายๆศีลเป็นตับ ก, กายกับวาจา<ม>คนนี่วาจาดีกายก็ดีก็เป็นที่จะเชื่อมั่นไปสัก5้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแ่ก็ใจไม่ดีพูดเอาดีก็ได้คนเนี่ยพูดดีก็ได้กายไม่ดีทำกายให้ดีมันหอกลวงได้ถ้าถึงถ้าพูดไปถึงธรรมะเรื่องจิตแล้วดีไม่ได้ ตรงไหนตรงนั้นเลยฉะนั้นทำเนี่ยมันจึงเกิดเกิดมาจากศีลนี่เป็นเหตุการปฏิบัตินี่จึงเป็นของที่สําคัญไอ้พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันอืศีลนี่ถ้าจะพูดไปมากมันกว่ามากถ้าจะพูดกันง่ายๆมันไม่มากต่อศีลนั่นมันความลายต่อความชั่วตัวเดียวฉะ น, นั้นแหละมันไม่ต้องไปไหนหรอกมันจะต้องเป็นศีลขึ้นมาทันทีละ่ะ เท่านั้นเออก็เหมือนกันกัะที่คะ่ะว่าไอเราปลูกหญ้าหรือปลูกผักนะเออะมันจะต้องอาศัยปุ๋ยมันเอาปุ๋ยใส่เข้าไปมันก็งามขึ้นแต่ว่าสถานที่นั้นมันดินไม่มีปุ๋ยเอาปุ๋ยใส่อีกคนหนึ่งเขามีที่ดินมันมีปุ๋ยในตัวของมันนั่นไม่ต้องเอาปุ๋ยมาใส่อีกมันก็งาม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 มันไม่เหมือนกันโดยาการกระทำของเราโดยจิตใจแต่เขาถือพาจิตว่านาณาจิตตังมีจิตต่างๆกันอืถ้าจะทําอะไรเอ้ยอันนั้นมันคดีมว้อย่าไปทําเลยเอ้าวมนนานาณาจิตตังเลยใครอยากทําอะไรก็ทําเนี่ยมันไปเข้าใจผิดว่านาน า, นาจิตตังไอ้คุณจะว่ามันถูกก็ช่างคุณเถอะมันไม่ถูกรักธรรมะไม่บอกอย่างนั้นธรรมะตัณเป็นอย่างนี้ก็วกกลับมาทําเสิ อันนี้ไอ้คนนี้ก่อนนาณาจิตตังใครก่นาณาจิตตังก็แตกหุ้มกันเทานเนี่ยเพราะทําันว่านานาจิตตังเลยต่างจิตต่างใจคนแล้วแต่จะทําเอ้ยนี่เอาไปปฏิบททัติดีตายกันหมดเลยนะมันจะไปถึงนานาจิตตังก็ช่างมันเถอะมันผิดเนี่ยอนี่มันผิดนี่นานาจิตตังก็ช่างมันใครจะมีทิฏฐิมรณะมีโลภมีโกรธมีหลงประชันถ้าพุทธองค์ท่านว่าให้วันเทา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 ปัญหานั่นก็ไม่มีนี่ให้ลงจุดเนี่ยจะทำยังไงถ้ามีคนแก้ปัญหาปัญหามันก็มีเยอะถ้ามีปัญหามาให้คนแก้คนก็มีเยอะไม่จบเรื่องมันไม่จบเรื่องของนั่นโลกเมื่อพูดถึงธรร ม, มะเฉยปัญหาก็ไม่มีคนที่จะแก้ปัญหาก็ไม่มีเนี่ยนี่ทำไ้มันหมดอย่างนั้นสงบเท่านั้นแหละมันสงบอย่างนั้น มันก็สงบขนาด น, ะ น, นี่มันก็สงบนี่มีคนแก้ปัญหามันก็มีปัญหามีปัญหาก็มีคนแก้ปัญหาแต่พูด ง, ง่ายๆนะสภาพโลกของเราในสมัยก่อนนะจะเป็นต้าบ้านเมืองเรามันมันไม่มากก็ได้นะไอเมืองอุบลเราเนี่ยทั้งหลายเนี่ยไม่เคยมีน้ําจะท่วมหรอกเพราะว่ามันไม่มีเขื่อนนะ ทุกวันนี้ว่าว่านมันอุดหยากมันไม่พอกินการนะ้ำมันอดไปกัน้นเขื่อนกัน้นไปกัน้นไปกัน้นทุกที่ทุกทางเนี่ยกั้นไปกั้นไปต้นไม้มันก็หมดไปกั้นไปเมื่อเวลานะ้ามันมาผมว่าขังมันตีเดียวกันนะมันขังอย่างเดียวทำไงมันจะท่วมตายก็ปล่อยเขื่อนเท่านั้นเนี่ยปล่อยเขื่อนทั้งทั้ลท ง, ทงล่างหลังกันก็ตายวุ่ยวายไว้ท่วมบ้านท่วมเบือนหมดแล้วสมัยสมัยก่อนนี้ท่วมไหมนี่แล้วปล่อยตามธรรมชาติ ม, มันสมบัาเสมอเนี่ย นี่คือความเจริญมันขึ้นมาไอ้ความเสื่อมพอตามมาอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็อดอยากมันแก้ไม่พ้นโดยมันเจริญขึ้นมาความเสื่อมพอตามมามันเป็นอย่นมันแก้ไม่พ้นอาโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้คือมันมีที่จะต้องแก้นที่สภาพที่มันสุดจบของมันนั่นเนี่ยไอ้ปัญหาก็ไม่มีคนแก้ปัญหาก็ไม่มีหมด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 มันมีคนแก่ก็มีปัญหาตลอดอยู่อืมทีนี้ถ้ามันนี่เกิดต้องต้องมีตายน่ะนี่เป็นอย่างงี้ทุกวันนี้เราก็เสด็จหามันหาเกิดแต่ตายไม่ต้องเสด็จหามันมนั่งจิตไะคือไอ้ความตายมันอยู่ข้างหนึ่งไอ้ความความเกิดมันอยู่ข้างนึ่งอยู่แล้วเราจะไม่อยากไรขนาดนี้มันก็จิตตามไปด้วย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 ถ้าคนเข้าใจว่าเกิดแล้วไม่ตายจะดีหลายลองอึดอัดลมเข้าไปเดียวนี้ที่ไปตรงออกมันดีไหมลมออกไปหรือลมเข้ามาอะไรมีราคากว่ากันไม่ส่วนนี้หายใจออกมีราคาหรือหรือหายใจขันใจเข้ามันมีราคาอ้าวเอ า, เอาทีเกิดจะตายก็เหมือนลมหายใจเข้าออกนี่ฉันฉันฉันว่า หันใจเข้าฉันว่าดีกว่าเอาอยาหายออกสิลองสิเอาลองนี้สักกี่นาทีไหมถ้าคนเห็นว่าหายใจออกดีกว่าเอารวมเข้ามาเอาลองลองสินี่จะได้กี่นาทีล่ะเนี่ยฉันว่าเกิดดีกว่าตายเอาเกือดมดสิฉันว่าตายดีก็เกิดเอากินอัตมาเห็นว่าเมื่อพูดตามคําสอนของพระอัตม า, ม, ามันพอดีแล้วนะ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 เวทนาสัญญาสังขารดินญาณเกิดแล้วดับไปกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองดินญาณฉะนั้นคนอยู่ที่ไหนแล้วตรงนี้ก็สมมุติว่าดินน้ำไฟลงเท่านี้มัจจุราชตามไอ้ท่านมันก็ตามท่านแต่ดินน้ำไฟลงมันแตกไปคนไม่มีในตรงนั้นนี่เห็นโลกเป็นสองศูนย์อย่างนี้เราก็ไม่อยู่ตรงนั้น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 มีถ้าพูดกันง่ายก็พูดกันอย่างนี้อืไม่มีใครตายถ้าเรายกตัวตนออกจากที่นี่จ้ะไปไว้ตรงโน้นจ้ะตรงไหนก็จางมันเลเราจะไปอยู่ตรงนั่นจะมันก็มีแต่ดินแต่น้าไฟลงมันพังไปอ่าพระกุณณมัตเนบุตรกับภาษาทีบุตรซึ่งเป็นสาวกลูกศิษย์นะอือัตมาก็จำจำแต่เป็นนักเรียนนะ่ะ พระปุณณมัตตนิบุตรเป็นลูกศิษย์ภาษาทีบุตรอืมจะออกทุโรงเดินทุรงไปก็ห่วงลูกศิษย์เหมือนกันอ่ไอ้ลูกศิษย์ของเรามันจะคมขนาดไหนนอนี่ยเมื่อจะออกไปทส่งก็มาประชุมลูกศิษย์เนียถามปัญหาซะก่อนพระปุณณมัตตนิบุตรก็เต็มตัวเหมือนกันนะะจะเดินเดินทุโรงเพราะการเดินทุรงนี่มันต้องผ่านอุปสรรคหลายอย่างอืมปัญหาวาทะสารพัดอยา่าง อจนเกิดความฉลาดอ่ะพระถ้าไปสรงแต่แท้อย่าไปเที่ยวดูจังหวัดโน้นจังหวัดนี้นะอืมอย่าไปเที่ยวดูโน้นดูนี่นะทุกวันนี้มันมีทัวร์รถยนต์ไปจังหวัดโน้นไปทะเลเว้ยไปพังงาวะไปภูกเก็ตเว้ยไปเชียงใหม่เว้ยไปโน้นทางนี้เว้ยโนอ่นโนอ้นทุเรียนจันบุรีมันหลายเว้ยไปโน้นสบายสงบดีมมันสงบอย่างนั้นเนี่ะ ตายหมดไปไม่เหลือเต่าเอาไปกินปลาไปกินหมดทุรองจามัยก่อนท่านผ่านรูปศักดไปไหมพระปุณณมตริท่านจะไปทุรองท่านรอบครอบหรืออย่างละ่ะถ้าหากว่ามีคนมีปาราชบดีทั้งหลายเนี่ยมาถามท่านว่าพระปุณณมตริบุตรพระอริยบุคคลตายแล้วไปเกิดที่ไหนถ้าเขาถามอย่างนี้ท่านจะตอบพระว่าอย่างไร มีอาจารย์ถามพระปุณณามัตถีบุตรเลยบอกว่ารูปเมตนาสัญญาสังขารดิน ญ, ญาณเกิดแล้วดับไปดูดิเอออาจจะมาฟังที่เป็นนักเรียนไม่เข้าเรื่องกันเลยคนนึงถามอย่างนึงคนนึงตอบไปอย่างนึงแล้วไม่เข้าเรื่องกันเลยนะแต่นั้นมันเข้าเรื่องแท้แน่นอนเลยเรามันโง่พระปุณณามัตถีพระอาเดียบุคคลตายแล้วไปเกิดเช่นท่านไม่ว่าง ก็เพราะมันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นท่านต่อแต่พอเพียงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปอืมเพราะท่านองค์นั้นท่านไม่ได้ตายมันมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดมันดับไปเฉยๆดินน้ำไปท่านไม่ได้อยู่นั่นเลยท่านไม่ได้ตายไม่ได้เกิดนี่ก็หมดเรื่องกันแค่นั้นคนเฉยๆก็ไม่มีปัญหาก็ไม่มีไอ้คนจะแก้ปัญหามันหมดตรงนั้นเรารุกจากของมันหมดไหม มันหมดตัวเรียกว่ามันไม่มีอ่ะนะถ้าเรามาพูดถึงเรื่องไม่มีเแล้วโอ้ยน้อยอกน้อยใจแล้วเกินแล้มันของในบ่านมันแยะเลยเออแต่ว่าไอ้ของเรานะั้นระวังอย่าไปห่วงใยเกินไปนะมันไม่ใช่ของเราแนละ้วอย่างนี้ฟังไม่ได้ อ, ออกอยากจะออกอยู่มันก็ฟังไม่ออก อ, อยากจะฟังออกอยู่มันก็ไม่ให้ออกบางทีก็ฟังเห็นตามอยู่แต่ว่าไม่ออก กิเลมันหนามันดันไว้ขูดอืเนี่ยลองลองก็ได้ลองก็ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆริงเช่นวยาคือมัริยะมันมันแน่นไว้อืมถึงในวันให้มรกน้อยท่านก็ไม่ค่อยจะพอใจหอกให้มรรย์มากๆให้มันท่วมหั ว, หวนะให้มันร้องไห้กันนะก็ไปอีกซะอย่างหนึ่งแล้วควรเราควรกลับมาฟังธรรมะของท่านเนี่ยมันดีดีที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 ถ้วยนะั้ไม่ใช่ของสัตว์เอาไปทุบมันทิ้งกัคนโง่ที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นแจ้งันั่นตนก็ไม่มีถ้าตนมีของตนจะมีที่ไหนล่ะเอาเอาให้คิดคิดหรือที่คิดดูง่ายๆนะอืถ้าหากว่ามีเราของเราก็มีถ้าหากว่าเรามีเรานั่นกระป๋องนั่นก็ค ง, งเป็นของเราถ้าเราไม่มีกระป๋องนั่นก็ไม่ใช่ของเรามันขึ้นจ่อกับเรานี่นี่คือกฏอัตตาแล้ว มิจันนั้นท่า น, นจึงให้ทำลายก้อนอาจาตัวนี้โดยปัญญาไม่ใช่ทำลายโดยการฆ่าการข่รรมมันการฝังมันเลยอืมเนี่ย ม, มันเป็นเรื่องธรรมดายอย่างนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าองค์จุดประสงค์ของท่านท่านในดูโรคอันนี้มันทั่วถึงโรคที่เราอยู่เนี่ยอืโลกนี้เองแหละข้าเรารู้โรคทั้งหลายให้มันพอดีพอดีแล้วนะจะไม่มีอะไรแล้วอืมน่ะจะไม่มีอะไรอย่างงั้นเรา อะไรเราระแบกกันทั้งมุดด่ะทั้งหมดด่ะอืมไอธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยมันเป็นที่มันเป็นของเหลือวิสัยของของสามัญชนเราผูุ้กชนเราฟังไม่เคยออกอืมฟังไม่เคยออกโอ้ออกมาก็ออกยากเกินนะอือมันออกออกทึ่งพูดแทบไม่ได้ยินเสียงละอ่ามันอัดมันตันเข้าว่าเนี่ย เพราะว่าเราทุกวันนี้เหมือนองค์ใบหนึ่งองค์ใบหนึ่งนะเราตักน้าําแต่ทุกวันทุกวันทุกวันนะตักใส่เพื่อจะให้องค์นั้นน้ําเต็มในองค์ในองค์นั้นเต็มด้วยน้ยํำแต่เราไม่รู้ตูดองค์นะเอาอะไรไปขุดขุดองค์มันยหยัดจุดเลยทส่กระถางปีจนตายนะ น้ำมันก็ไม่เต็มโอ่งเพราะอะไรนะเพราะกลนโอค์ไม่ปิดมันนะเหมือนกับความอยากเราทุกวันเนี่ยหามาเถอะท้ามาเถอหามาหาก็หามาแต่ว่ามันไม่พอรู้ไหมไม่พอไม่ปิดตูดมันกลอนมันด้วง <c oughs> มีแตอ่อยากอยากอยู่เรื่อยไปไอ้คนจนก็ยังอยากยกคนรวยก็ยังอยากอยู่นานๆจนไม่เห็นคนรวยเลยไ ม, ไม่มีคนรวยคือความอยากนี่มันจนในการทั้งนั้นเนี่ย ไอ้ความอยากนี่มันพาเราเกิดทุกข์ขึ้นมากเลยเกินอืมนะมันน่าจะวินิจฉัยพิจารณาอย่างแตมามาอรมกันอุ้ยอันนี้ตั้งยี่สบกว่าพรนศาอันี้ยี่ิบเจ็ดพรนศานี่นะอัตมาว่าอย่างน้อยต้องบรรลุธรรมะอืมอย่างน้อยก็ต้องให้บรรเทามันอืมนะอย่าให้มันอยู่นานเกินไปอย่างน้อยไม่มีชาติที่แปดจะเกิดขึ้นมันก็ยังดีเลย อันนี้ยังไงไปเป็นหุ่งเป็นแห้งเป็นเต่าเป็นหมูเป็นหมาเป็นคนนูหนักตาบอดห่าห้อยซาดอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนเลยนี่นี่แหละจุดที่เราคิดต้องไปทุกวันนี้เพื่อจใจมันไม่มีทุกเพื่อจะว่าไม่ให้มีทุกคือทุกตามไม่ทันมันจจุราชตามไม่ทันอย่างเราทุกวันนี้ทุกๆุกคนนะทุกทุกคนมันไปอยู่ในกลงเหมือนนกเขาอะ คนในรวยก็เหมือนนกเขาทีอยู่ในกรงทองถ้าเอาทองคำมาทําเป็นกรงใส่เขาไว้ทั้งนั้นเอานกเขาไว้ในกรงนั่นเอาน้าให้มันดิ่มเอาข้าวให้มันกินให้มันนอนที่นั่นนกเขาก็ขันไปตามธรรมภาษาของมันนี่แต่แม้มันคับแคบหัวใจมันเือเกินมันไม่ยินดีกับกรงทองหรอกมันอยากจะออกไปบินไป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 อลองลองดูดิอันนี้เขาเป็นนกเราเป็นคนนี่เว้ยขังเขาไว้อย่างเต็มที่เลยเนี่ยนึกหวายนกขันมันขันไพเราะเหลื อ, อเกินสนุกสนานเนี่ยดูดิบางทีเมื่อชีวิตคนนี้อยู่นกไม่ได้ออกหรอกอาจะมาเคยไปเน่บางทีจะของนกตายเขาหามตะเฟฟปราชาเนะ่ะถือกรงนกไปแล้วอาจจะมาเคยปล่อยเนี่ยอืม เอาจะของไปไฟชาบเผาได้นกกระปรอยโอ้โหเนานะรักษามันไปเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยต้องใช้มันนาถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องมันจับไปก่นจับให้ดีนะอย่าให้แตกนะนะต้องคู่มันไว้อย่างเงี้ยอือย่าไปแบบเด็กมันจับเอ้ยช่างมันเถอะลูกแตกก็ช่างไม่ใจของเราหรอก่ ะ, ะไม่มีือแล้วสิบหายเลยนคนงู้ดที่สุดแล้ว <c oughs> อนงโง่ที่สุดแล้ว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 ถ้าเห็นมันไม่ใช่ของเราเด็ก็ช่างมันเถอะกินไม่ต้องล้างมันก็ได้กินตรงไหนก็เป็นอย่ามึอโง่ที่สุดแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องอันนั้นเปนของเด็กนะของเด็กแล้วเก็บแล้วต้องรักษาไว้กินแหนมต้องล้างให้มันดีเดี๋ยวมันจะแตกเดี๋ยวจะไม่เงินเน่พอใช้อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกคนไว้อย่างนี้อืบอกไว้แต่ทั้งคราวมันจะแตกกินเพียกก้ยต่อให้มันแตกไปเถอะ ต้องบอกขยําเด็กเลยระวังใะวันหลังนะถูกเที่ยนนะเนี่ยนะนะอย่าไปทําแบบนี้ชิบหายหมดแล้วต้องว่าไปตามภาษานี่เองอืมะนะต้องว่าไปตามภาษานะอย่าไปปล่อยที่ว่ามันไม่รู้เรื่องนะเดีาา๋ยวเราเป็นทุกข์นะเดี๋ยวชิบหายหมดทั่วในบ้านเนาะนี่ต้องรู้จักภาษาอย่างนี้สอนเนี่ยต้องสอนรู้จักภาษาอย่างนี้อืมนะภาษาอย่างนี้ต้องสอนอย่างนี้สมมุติอย่างหนึ่งวีมุติอย่างหนึ่ง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 เกิดี้ับไปไม่มีใครพระธนวัฒ ถ, ถ, ถ้าคุณเข้าใจมาาตายแล้วคุณจะไปเกิดตรงนั้นไอ้คนนี้ไปเกิดตรงนี้คุณก็ยังทุกข์ไม่มีจบแล้วนี่คือมันไม่หมดนะอย่างนั้นพระอริยะบุคคลท่านเยะพระที น, นาศพสิ้นมันสิ้นไปมันสิ้นทุกอย่างมันหมดแต่เร า, า่าเื่าพูดถึงหมดเนีไม่สบายใจนะ แยกไปมีที่อยู่นะมั้งอะไรก็หมดหมดหมดหมืนหมดหมดเลยเลยเลยไม่รู้เรื่องมันที่จะที่มันจะสบายเนี่ยมันมันเป็นของยากอยู่อย่างนี้เรื่องโลกนี้โลกุตระโลกุตระชื่อโลภุตระคือชื่อไอพ้นจากโลกนี้พ้นจากดีสัยคนพ้นจากความรู้สึกนึกคิดคนในโลกนี้ทั้งหมดเรียกว่าโลกุตระที่อยู่ในโลกเรียกว่าโลกีโลกยะ โลกียะถึงไม่มีปัญญาขนาดไหนก็เหมือนอาตมาว่าไอ้นกเขามันจะขันไพร่ละขนาดไหนมันก็อยู่ในกรงมันถึงมีปัญญาขนาดไหนมันก็อยู่ในกองทุกข์จะเป็นขณะบอดีตรงไหนก็ช่างมันเอะอยู่ในกองทุกข์มันสุขเพราะอะไรมันสุขเองอามิ t h ไม่เป็นมิรามิสุขมิรามิสุขนั่นมันสุขเพราะไม่เองอามิ t h อถ้าอิงงามิสแต่อาจารย์เรียกว่าสุขนี่เอาอิงามิสเราอิงอะไรนะอิงราบอิงยศอิงสันเสริญอิงการน้ำการลอยอิงแทบอิงน่ไปอิงไปพิงอยู่นะไปพิงไอ้ไอ้หัวใจมันผุๆนะพิงไปพิงมาแล้วอจก็หักทุ่มลงน้ําต่นัะนมันจะพิงคนอื่นเขาเนี่ยมันเป็นอามิตสสุขเออนั่นพระพุทธเจ้าองค์ให้รู้จักมันซะ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 แต่คนผู้ที่สร้างยาพิษก็รู้ว่ายาพิษนั่นว่ามันดีแต่ว่ามันดีไปทางมันชั่วถึงเนี่ยนายกจะจะจ ะ, จะปรุงยาพิษขึ้นขายก็ต้องโพชนาญาชันดีนะเอาให้สุนัขกินก็ตายให้หมูกินก็ตายให้อะไรกินก็ตายให้เป็ดให้ไก่กินตาย ให้คนกินก็าตายถึงนั่นน่ะดีขนาดนั้นน่ะยาฉันถ้าดีขนาดนั้นให้คนกินดูสิให้จะของยาพิษกินดูโอ้ไม่กินเหรอบ่าดีทําไมล่ะดีให้คนตายดีให้สัตว์ตายดีขนาดนั้นดีนอกทางพุทธศาสนาหน่ไม่จะดีในทางพุทธศาสนานี่มันก็ดีไปอย่างนั้นนั่นถ้าว่ายาคุณอให้คนกินก็าตายถ้าว่ามันดีเรือเกินขายแพงคนก็กินดูสิ คนปรุงยามจะกินไหมนะไม่กินครับแต่ทั้งมันมาดีดีแต่ว่ามันไม่กินมันจะตายนี่มันรักชีวิตมันมันเป็นซะแบบนี้ดีมันหลายอย่างอย่างนี้แหละแต่ว่าเสี้งทั้งหลายแล้วเนี่ยไอธรรมะของท่านครอบหมดแล้วท่านพูดอย่างสมัยแต่เมื่อไรคนยังจะเข้าไปเห็นได้คนมันเข้าไปไม่เพราะอัตตามันกั้นอยู่อืมกั้นแล้วถ้าหากว่าปล่อยเช่นนั้นแเดี๋ยว ไอลาคาโทสาโมหะน่ะมันจะเบาไปแต่ในเวลาเนี่ยเมื่อชีวิตที่นี้ถ้าหากมันมีแต่ลูกเิญธนาสัญญาสังขารดินญาณเท่านั้นสมมุติแล้วก็มีดินน้ำไฟลมเท่านั้นเป็นคนคนแล้วเอาเอาสมมุติคนก็ไปใส่เท่านั้นถ้าเรารูอย่างชัดเจนเลยจะเขาว่าอะไรก็ก็ไม่ไม่ค่อยเป็นอะไรนะง่ายพูดง่ายเถอะนี่ไอเขาว่าไอเปรตเนี่ยอย่างเงี้ย ก, ก็สบายนะคําว่าไอสุนัขก็ก็จะสบายนะแต่คนไม่รู้น่สบายยากเหมือนกันนะสั้นเต็มทนดีเลยวนะจึงจะรับฝากถ้าเรายอมรับธรรมะอย่างนี้เราก็ไม่มีปัญหาแล้วปัญหาที่จะไม่ท่องแกม้มันแก้ในตัวมันแค่นั้นโลกนี้มันลำบากเพราะอะไรเนะี่ยเพราะเราเอาตามใจของเราอยากให้โลกนี้มันสม่ำเสมอ S <S มันไม่สม่ำเสมอแล้วโลกมันไม่เป็นของมันอย่างเนี้ยอืมันเป็นอย่ีะอย่างไงคนนั้นมันคนนั้นทุกๆุกคนเนี่ยมันไม่สบายเพราะมันขัดใจไงไหมพ่อบ้านแม่บ้านอยู่ในบ้านมันสบายในบ้านพ่อเนี่ยเพราะลูกขัดใจผัวขัดใจเมียขัดใจเป๋อขัดใจหมูขัดใจเพื่อนขัดใจมันถึงเป็นทุกข์นี่เพราะการขัดทีนี่โยมจะไปอยู่ที่ไหน จะให้เขาพูดถูกใจเราทุกทำเราจะไปอยู่ตรงไหนในโลกเนี่เราถึงจะสบายเนะ่ยไม่มีถ้าไม่มีโยมไปตายกันทั้งเป็นดิเป็นทุกข์หมดดิจะให้คนพูดถูกใจเราทุกคนให้ทําถูกใจเราทุกคนเราถึงจะสบายมันจะมีโอกาสที่จะสบายไหมแม่ใจอันพ่อว่านแม่บ้านอยู่รักกันเนะี่ยแม่มันเกิดจะทุกวันพวกง่ายๆแต่เนาะมันจะขัดใจไม่มากก็ต้องน้อยอะเป็นทุกข์เกิดมาแล้ว แต่เราจะสบายจะเอาตรงไหมเอาที่คนไม่พูดผัดไม่ไม่พูดผัดใจฉันน่ะฉันเพียงจะสบายโอ้ยไม่มีเวลาเกิดแล้วเนาะตายตายทั้งเป็นแล้วเอาลองๆองดูที่นี่ทีนี้วันนี้ก็เป็นทุกคนนั่นก็ขัดใจคน <c oughs> เมื่อไรเราจะหายทุกคนเหล่านี้มันไม่เข้าใจมันจะทั้งต้องทําอยู่อย่างนั้นแล้วก็ขัดใจเราอย่างนั้นทุกวันทุกเวลาต้องตายอะไรเนี่ยทุกจนตาย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 พวกเราคือมันกันแหตที่มันจะเป็นอย่างนั้นอขายไม่ได้ฉันขายไม่ได้เขาต่อยแตไม่ได้ฉันชื่อแพงฮะฉันต้องต้องใช้มันคุ้มค่ามันใส่ให้คุ้มค่ามันโอ้ยหมดเลยโยมหมดกระดูกหมดหนังหมดขี้หมดอะไรทั้งหมดขี้อ่อนขี้แก่มันไม่มีเหลือขี้อ่อนมัน ก, กินขี้แก่มันทําปุ๋ยแล้ไม่มีเหลือให้มันคุ้มค่ามันไ ม, ม่ ม, มีราคาหลายเนี่ยจะเอาอยัางไงละ่ะ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 ไอ้ต้นที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแกต้องเอาไปเพ่ออีกพีิเอ้ยต้องต้องรักษาแมลงหญยา ก, กับเก่าอีกเนี่ยมันก็โตขึ้นมาอีกนแต่โตจะสบายแต่เมล็ดมันยังอยู่อีกไม่หมดแล้วนะตรงไหนเมื่อเราจะให้มันพ้นทุกข์เมื่อไรเอาไปที่วันนี้ให้การบ้านทุกคนนะให้การบ้านไปพิจารณาดูที่ให้ระวังระวัง ระ ว, วังไอ้พายเรือข้ามแม่น้ําระวังนะไม่ต้องขุดไปเรื่อยๆนะมันทั้งขาดทั้งวาดแล้วไม่ใช่พาอ ย, ย่างเดียวนะเดี๋ยวเข้าขในป่าแล้วมันชนป่าหรอกระ ว, วังเถอะให้ระวังน่ะให้พิจารณาเพื่อันนี้เอาประดับประหลับวามรู้ของมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไงใครละ่ะถ้าเรามาเห็นธรรมะใครไม่เห็นธรรมะรู้ธรรมะแล้วก็เรียนธรรมะแล้วก็รู้ธรรมะก็ยังเป็นทุกข์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 เออย่างไกลนั่นน่ะนะไม่ใช่เดนเด่นนะเออไม่ใช่นี่อันนี้เราให้ทานไปก้อนนี่เออชาติหน้าต่อไปให้อีฉันได้มากกว่า น, นี้นักยิงเอาหนักกว น, นี้อีกอัน น, น, นี้อันนี้พูดให้พวกจำสินฟังนะเออันนี้พูดให้พวกจำสินสินฟังอันนี้ไม่ใช่ฉลองสั ป, ปทานนะ สองสะพานจะต้องสร้างถนนไปเกิดชั้นนั้นสร้างแต่ตพานไปเกิดชั้นนี้โอ้โหมันมันบุบไม้เหลือเกินนะอันนี้พูดตรงไปตรงมาวันเนี้ยอนะถ้าใครมาดีก็บคอหักแล้วันเนี้ยนี่อันนี้ทําผู้ใหญ่อันนั้นทําเด็กๆน้อยๆรับทาเด็กน้อยอย่างเด็กมันเดินเป็นลมคุกเอ้ยแม่คุกหมูแล้วนะมันจะร้องไห้ยังไงมันนึกว่าคุกหนูมันเดินไม่ให้นะโกหกมันใช่ไห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 อันนี้กูมันกันแหละมันอยากได้หลายคือคนต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ผลจะสุดแมันต้องหมดลนะ่ะอันนี้มันหมดหมดมันจะเอาไปเทลงมูลนะไม่จะเอาไปเทลงลงแม่นะมมน้ํานะหมดเพราะปัญญาของเราหมดคืออยู่ไปโดยความสบายอยู่ไปโดยไม่เป็นทุกข์ทำงานก็ไม่เป็นทุกข์เด๋ยวพูด ก, ก็ไม่เป็นทุกข์จะเจ็บป่วยไข้ก็ไม่เป็นทุกข์เออมันเหนือแต่ดินแต่น้ําแต่ไฟแต่ลมทถ น, น, นัดซากคนตอนนี้นะ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 ดินมันจืปลูกผักก็ไม่งามปลูกอะไก็ไม่งามโน่นไปพู ด, ดินแดงน่ไปเลาะชายแดนโน่นดินใหม่ๆงามแต่ว่าไม่กีมันมันก็จือดอีถ้าเราอยู่บ้านเก่าแล้วเนี่ยทำคันนาขึ้นนะพื้นดินขึ้นเอาปุ๋ยมาใส่ซะงามแล้วไอ้คนไปถือนียก็ย้อนกลับมาแย่งพวกเราอย่างต่อไม่ต้องเอาไรเอาไรเดียวก็พอแล้วอยู่ติดติดบารินเนี่ยแต่รู้มันทำสวนจะทำตะกร้าซะอืม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 เข้าใจว่าอะไไม่ออกอืเข้าใจภาษาโบราณทำไวา้จังไรเสื้อสั้์แห้งมันหงวงกินไก่เนี่ยคอข้ามหงวนไก่กินไก่เน่เป็นสั้นไหมอืมขันบอลภาษาอีพ อ, อยแม่เอาเป็นสัน้นตัวเอาอยู่ ไ, ไกลๆนี่เลยจะไปเอาไกใ่ใสไหนอืมอืมคนลักฆ่าไก่คนไม่ฆ่าไก่เอามันอยู่นี่แล้วทิไป์ใจเข็ดสวนเกาเข้านี่ขึ้นเอาปุ๋ยใส่เขามาตั้งคอวาดขึ้น มาวัดให้ภาวนาธรรมะอย่ามากุ้ยกันอีๆอๆให้มันดีเดียบร้อยนะ อ, ะอันนี้เป็นขอวัดเพราะเขาจีตจองไปอย่างหน่อยให้มันคนทุกชั่วขณะเลยทีมันชั่วขณะเออมือนี้มีโอกาสมาเบาสูฟังสิดลอกมือนี้มันจิบวทมนษราไปเตอ